เอาแบบง่ายๆนะง่ายๆวันนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับก็ที่เราจะทําตัวเพจค q วนะครับก็โอเคตอนนี้สองทุ่มแล้วเอาเลยแล้วกันนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมารู้ก่อนว่าในเรื่องของในเรื่องของเพจค q วเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะ <_ d ata> เพราะงั้นเดี๋ยวเวลาเราจะไปบอกเพื่อนๆชวนเพื่อนเราก็จะไม่กล้าชวนพี่นะครับก่อนอื่นแลยเนี่ย ต, อต้องบอกนี้ก่อนว่า ถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะบริษัทอยู่ที่ไหนนะครับเอ๊บริษัทมันตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ให้เราเข้าใจงเงี้ว่าเขาอ่ะอาจจะมีภาพเดิมๆนะในเรื่องธุรกิจที่เขาทํามาเช่นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับขายตรงบริษัทอื่นๆนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งอาจจะโดนหลอกมาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเขาถึงถามเราซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าวันนี้เราให้ข้อมูลนะครับที่เป็นข้อที่จริงให้กับเขาให้ได้นะครับเพื่อเพื่อ เพื่อให้เขามีความเข้าใจนะครับว่าเพจ e q q คืออะไรนะครับก่อนอืนเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าคือลักษณะของโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยนะครับมันไม่ต้องมีบริษัทก็ไดนะ้เพราะมันคือ w w w ร์ลไ q q c o m ครับ mm hmm. นะครับผมยกตัวอย่างง่ายเหมือนสมัยตอนที่ Facebook ทำใหม่ๆใช่ไหมครับเฟซบทำใหม่ๆเนี่ยมันก็คือทำกันอยู่ในห้องนักศึกษาที่ Harvard ใช่ คุณมาร์คเขาก็เบอรกับเพื่อนเขาสามสคนทำกันมาอยู่ในห้องนะครับก็กลายเป็นว่านะเดี๋ยวนะมีคนแอดมาต้องรับนะฮะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะฮะโอเคก็ okay. <c oughs> <c oughs> กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเอ่อสำหรับตัวตัวเว็บเฟซบุ o กคอมนะครับมันก็ไม่ได้มีที่มาที่ไปจากการที่เขาตั้งเป็นบริษัทก่อนแต่เขาเปิดออนไลน์ก่อนให้ผู้คนใช้ก่อนนะครับจนเกิดกลุ่มแมสมากม จนมีวันหนึ่งงมีบริษัทนะครับให้ทุน500แ0นเหรียญ น, นะครับในการที่จะเปิดบริษัท Facebook ขึ้นมานครับโอเคถ้างั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วกลับมาที่เพจคิววนะครับมันไม่จำเป็นต้องมีบริษัทก็ได้แต่เพื่อความสบายใจเพราะเรารู้ว่าคนไทยเป็นยังไงฮะเพื่อความสบายใจผมจะบอกว่าเพจคิววเนี่ยนะครับต้นกำเนิดคือมีมีมีรากมาจากบริษัท s u r f Forbit นะครับ คือเซฟโปบิตเนี่ยเป็นบริษัทขายซอฟต์แวร์ครับขายซอฟต์แวร์เกี่ยวกับอะไรนะครับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการตลาดซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเกมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับธุรกิจการเงินธุรกิจขายตรงต่างๆนะครับซึ่งนะครับไอ้ซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับคนที่เขียนนะครับก็คือเจ้าของชื่อชื่อคุณโอมนะครับเป็น CEO นะครับของ p q q คคนะครับคุณโอมเนี่ยเขาเขาบอ o b ูมาเพื่อเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับคุณโอมอายุ26เท่าผมนะครับแต่เขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่อายุสิเขี่แล้วน ทุกวันนี้ก็คือเป็นเป็น c ีโตั้งแต่ตอนอายุ21เลยนะครับเป็น c ีโอายุน้อยนะครับผมบอกเลยครับว่าทุกภาษาโปรแกรมคุณโอมเขียนได้ทั้งหมดเลยนะครับคนนี้คือบอลทูบีเพื่อเขียนโปรแกรมจริงๆนะฮะผมผมใช้คําว่าเป็นเป็นคนที่ยังไงดีวะอัจฉริยะเลยนะครับเดี๋ยนะฮะมีคนแอดมาอีกแล้วนะฮะขอไม่ไม่ใช่แอดฮะแชร์คลิปไปนะฮะขอบคุณนะฮะที่แชร์นะครับอ่ะโอเคกลับมานะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย พอมันเกิดมาจากบริษัท s ซิร์ฟฟอร์บิทเนี่ยคุณโอมเป็นคนคิดใช่มั้ยฮะวันหนึ่งครับก็ก็ได้คิดตัวโปรเจกต์เพจคิวคนี้ขึ้นมาผมผมคงไม่ไม่ไม่เจาะลึกจนเกินไปนะฮะคิดตัวแพลตฟอร์มเพจคิวคตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของของของการสร้างเวอร์ไวด์คอนเทนต์นะครับก็คือเป็นเหมือนโซเชียลตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีมีเงินจากการใช้โซเชียลตัวนี้นะครับซึ่ง ซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันทำเงินได้ไงเนาะเอาเป็นว่าให้ไปดูคลิป29นาทีของผมที่ผมอมธิบายไว้ y y นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาตอบแค่ในเรื่องของคำถามที่ว่าโอเคนะครับในเรื่องของบริษัท s u r f ์ฟ bit นะครับก็ที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับเพจคิวมาไงก็มาจากบริษัท s u r f ์ฟ bit นะครับอยู่ที่พัทยานะครับซึ่งขึ้นตรงกับสมรณูพัทยาจ่ายภาษีเรียบร้อยนะครับเอ่อ ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์ของเพจไม่ใช่คอมแบบตั้งโต๊ะธรรมดางุนงุนงงงนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับมีที่มาที่ไปนะครับหรูหรานะครับอยู่ที่ซิลิคอนวัเลย์ USA นะครับซึ่งถ้าใครไปเช็คนะครับประวัติของซิลิคอนว a l เลย์เนี่ยที่ซิลิคอนว a l เลย์เนี่ยจะเป็นดินแดนสำหรับกลุ่มนะครับที่เป็นบริษัทเหล่านี้บริษัทเน็ตเวิร์บริษัทเน็ตเวิร์ c โซเชียลนะฮะ บ, บริษัทที่เกี่ยวกับ Google นะครับกูเกบริษัท Yahoo! นะครับ b ริ้งนะครับแม้กระทั่ง a l i b a b a าหรือ Facebook ต้นกําเนิดมาจากที่สีก้อนเลขดทั้งหมดเลยนะครับตัวของเราเนี่ยเห็นมฮะมีคนแอดมาอีกแล้วฮะต้องกดรับนะฮะเพื่อให้ดูขอบทุกคนนะฮะตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีต้นกําเนิดคล้ายคึกันและหน้าเพลนเดียวกันกับ Facebook และหน้าเพลยเดียวกันกับ Aliba าบาและหน้าเพลยเดียวกันกับพวกโซเชียลต่างๆที่มันมีอยู่บนโลกนี้นะครับ นั่นหมายความว่าครับวันนี้ฟิวเจอร์ของเราอ่ะเราไม่ได้ทำแค่ประเทศไทยเรากาะทาทั่วโลกครับเพียงแค่ว่าณตอนนี้นะครับเราออนไลน์กันที่ประเทศไทยก่อนมีแอดมากแล้วนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะไม่รับแล้วนะครับไปดูไปดูัของเพื่อนแ น, นนโอเคต่อถึงไหนแล้วเนี่ยเกือบลืมแล้วเห็นไหมอโอเค ถ้าการเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อมันอยู่สิงคอนร์าเลยแล้วเรามีแพลนมีแพลนเนี่ยที่จะขยายกันทั่วโลกอยู่แล้วฉะนั้นครับวันนี้ทําไมถึงต้องเป็นประเทศไทยก่อนนะครับผมต้องบอกกันว่าเราอ่ะมีแนวคิดที่จะให้เงินนะครับเข้ามาในประเทศไทยคือเงินเะข้าประเทศแต่ถ้าเปิดต่างประเทศก่อนนะเนองฮะเงินก็ออกนอกประเทศใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ใช้ชุดแรกๆคือคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะฮะ ลบกวนฮะลบกวนอย่าอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าวิดีโอคอลมาหาผมะฮะไม่ต้องวิดีโอคอลมาหาผมนะฮะ เ, เดี๋ยวนะครับทุกคนพยายามอยู่เฉยๆนะฮะอยู่เฉยๆะะดูเฉยๆพอครับออกความคิดไดนะ้ออกความคิดเห็นได้นะเสียสมาธิน ะ, ะตอนนี้โอเคงั้นเรากลับมาที่ซิลิคอนวันเล่เหมือนเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวนะโอเค เมื่อเมื่อมันเมื่อมันเอาเงินเข้าประเทศแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้เศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้นแหละนะครับจากการใช้งานโซเชียลนะครับโอเคนะครับในเรื่องของ Sur ร์ฟฟอรนะครับทุกคนน่าจะโอเคแล้วมีที่มาที่ไปนะครับไม่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวร็บลอยๆนะครับเกิดมาจากบริษัท Sur ร์ฟ bit เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ตัวเพจคิวคมีเซิร์ฟเวอร์นะครับมีมีมีตัวการออนไลน์เนี่ยอยู่ที่ซีดิโกนววลเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับในเรื่องของ ในเรื่องของฟิวเจอร์นะครับในเรื่องของอนาคตของเราที่เราจะเปิดเวอร์ไว้นะครับไม่ต้องห่วงนะส่วนตัวในเรื่องของข้อกฎหมายคราวนี้แหละนะครับหลายๆคนเนาะก็อาจจะพอมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวพอมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยทุกคนก็อาจจะกังวลในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮนะธุรกิจที่เราโดนกลัวโดนหลอกกันกลัวเป็นผิดกฎหมายกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติผมรหก็เป็นเรื่องปกตินะครับเอาเป็นว่าในเรื่องข้อกฎหมายเนาะ ก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะออนไลน์ตัวเพจ q ิ q นะครับทางคุณโอ๋แล้วก็ทางคุณมาริสานะครับซึ่งเป็นเจ้าของผู้ดูแลตรงนี้นครับแล้วก็คุณโอ๋ก็คือเป็น c ีโนะครับก็ได้ไปคุยกับสคบนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าสคบเนี่ยนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะก่อนที่จะบอกให้เราออนไลน์เนี่ยเขาต้องดูก่อนนะครับที่มาที่ไปนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีเงินเข้าตรงไหนออกตรงไหนมีสินค้าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติของสอคบที่ต้องดูอีกแล้วใช่ไหม กับกลายเป็นว่าวันนี้ครับสบบยื่นคําขาดมาเลยว่าตัวนี้นะครับไม่สามารถจดให้ได้แต่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องน่าตกใจนะไม่สามารถจดให้ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหของเราเนี่ยมันเป็นสินค้าซอฟต์แวร์ซึ่งมันไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภคมันจะขึ้นปกกับสบบไม่ได้ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับเราอะเวลาเราสมัครเป็นยูเซอร์เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายเราสามารถเอาซอฟต์แวร์ตรงนี้ไปทําเงินได้อีกนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ ถ้าถ้ามันเกิดการถ้ามันเกิดมีความผิดขึ้นมานะครับมันจะเกิดความผิดระหว่างยูเซอร์กับยูเซอร์ครับอาจจะอยู่ในฐานของธุรกิจเอ่อไม่ใช่ธุรกิจอาจจะอยู่ในอาจจะอยู่ในหมวดของพ ร, ราวอคอมพิวเตอร์แต่ถ้าในส่วนของสินค้าเนี่ยมั น, มนกําหนดไม่ได้ว่าจะอยู่ในหมวดไหนนะครับแต่ถามว่าถูกกฎหมายไหมสบบถูกกฎหมายครับไม่ผิกดกฎหมายนะครับถูกกฎหมายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องบอกอกัน่อนว่าสบบเนี่ยเป็นผู้แนะนํามาเองเลยว่าให้เราใช้ภาษาแบบไหนในการที่จะสร้างรายได้ตรงนี้นะครับเช่น ปกติเนี่ยในธุรกิจขายตรงเราจะได้ยินคำว่าค่าแนะนำใช่ไหมค่าแนะนําหรือ Fast Start นะครับตามกฎหมายเนี่ยค่าแนะนําหรือ Fast Start เนี่ยใช้ได้ในธุรกิจขายตรงไม่เกิน 20% นะครับแต่ของเราเนื่องจากมันเป็นการขายพื้นที่คอนเทนต์การขายพื้นที่คอนเทนต์นั่นหมายว่าค่ารายได้ข้อที่1ของเราไรายได้จากการขายพื้นที่คอนเทนต์ห้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงครับ เราไม่มีสินค้าอุปโภคคุณไม่ต้องไปสาธิตสินค้าให้ใครเพราะฉะนั้นให้คุณสบายใจได้เลยว่าคุณไม่ได้ทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับอ่ะในเมื่อสศบเขาบอกมาแล้วว่าโอเคในเมื่อเปนผิดกฎหมายแต่ว่ามันแค่จัดหมวดหมู่ไม่ได้ให้คุณไปคุยกับการเงินดูสิอ่าการการเงินระหว่างประเทศเนี่ยกองการคลังเนี่ยว่ามันเข้าข่ายการระดมทุนไหมนะครับมันเข้าข่ายการที่เป็นมันนี่เกมหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าในเรื่องของการเงินนะครับ เราก็ได้มีการไปคุยมาเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าตัวนี้นะครับการเงินบอกเลยทําได้นะครับไฟเขียวให้ทําเพราะว่าแบบนี้ครับ1ก็คือเงินลงทุนไม่เยอะ1000บาท2ก็คือมันมีที่มาที่ไปของเงินว่าเงิน1นึ่พันของคุณนี้มันไปตรงไหนได้ซึ่งวันนี้ผมจะแจกแจงให้ฟังนะครับอ่ะทีนี้นะครับดูนะฮะว่ามันแจกแจงยังไงแล้วมันถูกกฎหมายยังไงนะครับอ่ะอันนี้คือเงินอาเดี๋วนะฮะ เขียนไม่ได้ก็น้าแตกไปนะฮะอ่ะโอเคนี่คือเงิน 1,000 บาทนะครับเราสมัครสมาชิก1000บาทนะครับ 1,000 บาทเนี้ยผมคิดเท่ากับ 100% 100% นะแสดงว่าวันเนี้ยถ้ามีการซื้อคอนเทนต์หคอนเทนต์ซื้อพื้นที่1คอนเทนต์หคอนเทนต์เนี่ยสมัคร1 user ยูเซอร์เนี่ยแสดงว่ามันจะมีเงิน 50% ใช่ไหมฮ้บเก็คือ500บาทใช่ิบเปร์เวิ่งไปผู้ครับเซอริ สปอนเซอร์ตรงเนี้ยเป็นรายได้ข้อที่1เป็นรายได้ข้อที่1นะวิ่งไป 50% นะครับไปที่ผู้สปอนเซอร์นะครับจากนั้นนะครับมันเหลืออีก 50% ไปไหนบางคนโอ้โหแบบเนี้ยบริษัทก็ได้เงิน500ร้ยวยตายเลยใช่ฮะแสดงว่าผู้คุณไม่เข้าใจานะครับโอเคในเมื่อ 50% เนี้วิ่งไปที่ผู้สปอนเซอร์แล้วมันไปไหน 50% ทุกท่านดูดีๆนะครับ 20% นะครับวิ่งไปที่รายได้ข้อที่2นั่นก็คือ รายได้ข้อ 1% คูณ20ชั้นนะครับายได้ 1% 20ชั้นนะคูณ20ชั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงเป๊ะไหมครับตรงเป๊ะนะครับแสดงว่า 70% วิ่งกลับไปหายูเซอร์แล้วถูกต้องไหมครับมันเหลืออีก 20% 20% ตรนงนี้ครับวิ่งไปในร า, ายได้ข้อที่4นั่นคือ View Content นะครับวิ e คออีก 20% แสดงว่าวันเนี้ย 90% ของหนึ่งพันบาทของคุณเนี่ยคืนกลับไปที่ยูเซอร์ทั้งหมดเลย 90% คืนไปที่ยูเซอร์ทั้งหมดเลยคําถามคือว่ามันเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 10% จริงไหมก็ 90% คืนไปที่ยูเซอร์แล้ว่พอใจไหมฮะตอนนี้นะครับบริษัทได้เท่าไหร่บริษัทได้ 10% ใช่ไหมฮะแต่คุณดูดีๆนะวันนี้เนี่ย ในเรื่องของความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันดูงันแค่นี้นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะเบคืนไปที่ยูเซอร์ใช่ครับสนะครับแน่นอนครับ 10% เนี่ยเข้าไปที่บริษัทแต่คุณดูดีนะครับมันแบ่งเป็น2ก้อนครับสแสดงว่าเมื่อมีการทำธุรกิจมันต้องมีการเสียภาษีใช่ไหมฮะครั บ, รบตรงเนี้ยจ่ายแหวบริษัทจ่ายวให้กับเราเ บริษัทจ่ายแหวนะครับเดเนต์ะให้กับเราเลยครับแสดงว่าแหวนตัวนี้เข้าไปที่ไหนฮะเข้าไปที่สามพักกรครับเมื่อมีการจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายคุณว่าถูกกฎหมายไหมครับแน่นอนถูกต้องเพราะว่าธุรกิจสีขาวต้องจ่ายภาษีครับแสดงว่าบริษัทได้จริงๆคือเท่าไหร่ฮะสามเอร์์ท่านั้นเองซึ่งสเปเนนี้เป็นค่าหล่อเลี้ยงซิสเต็ม คุณต้องให้บริษัทนะบริษัทได้แค่ 3% าแต่คุณได้ไปแล้ว 90% บางคนบอกว่าโอ้โหแบบนี้บริษัทอะไรนะสมัครมาสักพันคนแสงคนได้คนละห้0 500ยหบริษัทรวยตายเลยไม่ครับบริษัทได้ 3% พวกคุณได้ 90% จากโครงสร้างรายได้นครับนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยมูลค่าของมูลค่าของเพจคิวๆไม่ได้เกิดจากเงินตรงนี้เลยนะมูลค่าเพจคิวคิวเกิดจากการใช้งานของยูเซอร์ครับ เมื่อมันมีการใช้งานของยูเซอร์มากขึ้นมากขึ้นมันจะมีมูลค่าทางการตลาดของมันเองนะนี่ครับคือธุรกิจโซเชียลนะครับนึกภาพครับวันนี้ทำไมผมถึงบอกว่ามูลค่ามันเกิดจากการใช้งาน Facebook มูลค่าการใช้งานมูลค่าของบริษัท a c e b o o k เท่าไหร่ฮะเป็นหมื่นล้านจริงไหมมักซึ่ซิงเบอรมีเงินเป็นหมื่นล้านจริงหรอไม่ใชนะ่มูลค่าของ facebook มันเป็นมูลค่า เป็นมูลค่าของเป็นมูลค่าของตัวโซเชียลตัวนีน้เป็นมูลค่าของการใช้งานนะครับซึ่งถ้าวันนี้เพจค q มีตลาดแม้สซือคนจำนวนมาก เ, เข้าไปใช้งานนะครับตรงนี้จะเกิดมูลค่าด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นครับวันนี้ให้สบายใจได้เลยว่าคุณนะ่ได้เยอะกว่าตัวเพจค QQ อีกแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายเพราะมันเสียภาษีแหวน ต, ตรงนี้ให้กับสัมพากรพัทยาแบบขาวสะอาดเลยดนะครับสแสดงว่าทุกแพ็เกจที่ถูกสมัครมาเนี่ย บริษัทแบกภาระให้นะครับ 7% บริษัทได้จริงๆก็คือ3โอเคนะครับแบบนี้นะฮะก็จบนะในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเรื่องสปบเราไม่เป็นธุรกิจขายตรงนะครับเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผมใช้คําว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแล้วกันนะครับเป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณไม่ต้องวิ่งไปขายสินค้าให้ใครเพราะไม่มีสินค้าให้คุณขายนะครับเรามีแต่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานนะครับซึ่งถ้าใครสงสัยให้ไปดูคลิป29นาทีของผมเนาะนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการเงินการทางเราไม่เข้าข่ายในการระดมทุนนะครับเพราะว่า 1. ต้นทุนต่ำนะครับมีการกระจายไรายได้ชัดเจนนะว่าไปตรงไหนบ้างมีการแจกแจงได้ครบชัดเจนนะเมื่อก mm ี hmm. ้ใช่ฮะก็คือในเรื่องของ 50% ผู้สปอนเซอร์ 20% 1% 20บเปอร์อำดับชั้นใช่มยเข้าไปในวิว w c o เ t e n t แล้วเหลือสิเแจกแจงเป็นแวกเจ็ดเตข้าซิสเต็มจริงจรงจง า, ายเพราะฉะนั้แ okay. เวกจ่ายถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉ อีกเรื่องหนึ่งนะครับทําไมมันถึงทําลักษณะของคล้ายๆกับ MLM ล่ะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับบางครั้งความคล้ายมันก็ไม่ใช่นะเหมือนทุเรียนกับขนุนนะครับทุเรียนกับขนุนคล้ายกันไหมครัคล้ายกันแต่ถามว่าเป็นชนิดเดียวกันไหมคนละอันกันใช่ไหมเหมือนขนุนกับจำปาดะก็ได้ปู้หูเหมือนกันเลยแต่คนละชนิดนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าลูกโซ่ลูกโซ่อะไรกันแช่ แชร์อะไรฮะมันนี่เกมนะพวกเนี้ยบางครั้งอ่ะเวลาคุณไปคุยเพจคิวๆกับเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนก็ถามคำถามเนเฮ้ยมันเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่เลยมันเป็นเหมือนพวกมันนี่เกมเลยผิดกฎหมา ย, ยหรือเปล่าไอ้อเรื่องผิดกฎหมายคุณต้องตอบได้แล้วนะเมื่อกี้ผมตอบไปให้แล้วนะครับถ้างั้นเรามาดูอันนี้ก่อนแชร์ลูกโซ่ไอ้คาว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย คำนี้เวลาคนพูดออกมา เ, เวลาคนที่คุณไปคุยออกับเขาเนี่ยแล้วเขาพูดออกมาเเฮ้ยเป็นเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคุณว่าเขารู้จักคําว่าแชร์ลูกโซ่จริงๆริะคุณลองถามเขากลับไปได้เลยนะว่าแชร์ลูกโซ่เป็นยังไงอะไรคือแชร์ลูกโซ่ผมบอกนะฮะตอบไม่ได้หรอกเขาจะบอกแค่ว่าประมาณนี้ยก็เอาคนน่ยมาต่อต่อกันมาต่อต่อกันเนี่ยเปนอย่างเงี้ยเปนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยธุรกิจแชร์ลูกโซ่ผมบอกเลยนะว่า วันนี้นะครับไอ้คาว่าลูกโซ่หรือไม่ลูกโซ่เนี่ยคุณดูนี่ดีๆนะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับรอยู่นี้นะฮะเนี่ยในชีวิตจริงของเรานะครับเราจะเจอสิ่งเหล่าเนี้ยอยู่เป็นประจําอยู่แล้วไม่มีธรุรกิจอะไรหรือว่าสิ่งใดบนโลกนี้ไม่เป็นลูกโซ่คุณฟังผมดีนะไม่มีอะไรบนโลกนี้ไม่เป็นลูกโซ่นะครผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับ สมมุติว่าคุณเนะ่ยจะไปซื้อไก่ย่างมากินจะซื้อไก่ย่างมากินนะวันนี้แสดงว่าไก่มันก็มีที่มาที่ไปถูกไหมครับไก่มาจากไหนฮะมาจากคนเลี้ยงไก่ถูกไหมคนเลี้ยงไก่คนเลี้ยงไก่ไกที่ฟาร์มอ่ะสมมุติเนี่ยเป็นฟาร์มฟาร์มคือผู้ผลิตใช่ไหมฮะ <c oughs> ผลิตส่งไปที่ไหนครับส่งไปที่พ่อค้าที่รับส่งใช่ไหมอันนี้คือขายส่ง ขายส่งอะไรก็ขายส่งไก่เี้ยก็มารับไก่จากฟาร์มไปขายส่งขายไปไหนฮะขายไปที่พ่อค้าที่ตลาดพ่อค้าที่ตลาดพ่อค้าที่ตลาดพ่อค้าที่ตลาดก็ไปขายให้กับพ่อค้าคนที่ขายไก่ย่างแล้วเราอ่ะก็ไปซื้อมาเราซื้ออย่างเดียวซื้อกินคำถามคือว่าวันเนี้ยจากฟาร์มไก่ มาที่พ่อค้าคนกลางที่ขายที่ซื้อไก่ไปขายให้กับตลาดคุณว่าเขากินเปอร์เซ็นต์ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คุณว่าคุณโดนกินหัวคิวไปแล้วกี่หัวลองนึกภาพครับวันนี้กว่าพ่อค้าขายไก่เนี่ยจะไปซื้อไก่มาเนี่ยมันโดนกินไปแล้วกี่หัวแล้วเราก็ไปซื้อพวกนี้มากินเนี่ยครับคือยังไงยังไงคุณอยู่ในห่วงโซ่พวกนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่าคุณอยู่ในบทบาทไหนแค่นั้นเองนะครับนี่คือชีวิตปกติของเรา ธุรกิจทุกธุรกิ จ, กกจชีวิตทุกชีวิตสินค้าทุกสินค้าเป็นลูกโซ่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะวัดความถูกต้องของมันนะครับให้คุณวัดที่ความถูกต้องตามกฎหมายกับการผิดกฎหมายแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเลยนะว่าธุรกิจลูกโซ่มันก็คือธุรกิจ ท, ทั่วไปที่พวกคุณทำกันนี่แหละครับซื้อของออนไลน์มาขายคุณบวกกาไรไปกี่เปอร์เซ็นต์เป็นลูกโซ่ไหมมีโรงงานผลิตโรงงาน ใครฮะดิลเลอร์ฮะดิลเลอร์ดิลเลอร์ดิลเลอร์ลลอรตัวแทนจำหน่ายขายปลีกเราก็มาซือ้อเราก็มาซือ้อมาซือ้อมาซือ้อมาซือ้อโดนกินไปกี่ท่อดเหมือนกันครับทุกอย่างเป็นลูกโซ่ครับแม้กระทั่งศาสนาที่คุณนับถือคุณเคยเจอพระพุทธเจ้าจริงหรอทำไมคุณถึงนับถือศาสนาพุทธ เพราะวันนี้มีคนบอกคุณใช่ไหมว่าต้องนับถือศาสนาพุทธคุณถึงนับถือศาสนาพุทธคุณเคยเจอพระเจ้ากับพระอันล็อกจริงหรอใช่ไหมฮะคือผมไม่ได้ไม่ได้มีศาสนาใดาๆเพียงแค่บอกว่ามันก็คือลูกโซ่ทางความคิดนั่นแหละครับมีการบอกต่อๆกันมานะครับเราก็นับถือกันไปครับเพราะฉะนั้นเอางี้ครับเมื่อวันนี้มันเป็นในเชิงของของเรื่องของเรื่องความรู้สึกแล้วกันเนาะผมใช้คำว่าความรู้สึกแล้วกันนะครับเราเราจะเป็นจึงต้องแจกแจงด้วยว่า คำว่าลูกโซ่มันไม่มีอยู่จริงหรอกครับทุกอย่างเป็นลูกโซ่อยู่แล้วมันมีแค่ว่าถูกต้องตามกฎหมายกับผิดกฎหมายเท่านั้นแหละครับถ้าฉะนั้นวันนี้มันจ่ายแหวนถูกต้องตามกฎหมายสคบยืนยันรับปากว่ามันถูกต้องการเงินยืนยันรับปากว่ามันถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เลยครับว่าวันนี้คุณทํโซเชียลตัวนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอเคไหมฮะข้อนี้ นะครับไม่มีลูกโซ่ครับบนโลกนี้เพราะทุกอย่างเป็นลูกโซ่อยู่แล้วครับโอเคนะครับอ่ะงั้นเรามาต่อกันที่อะไรล่ะสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้ใช่ไหมก็คือในเรื่องนี้นะครับรายได้หนอร์ซนะครับหนอร์นะครับ20ชั้นนะครับคุณรู้จักเรื่องกฎของการทวีคูณไหมครับกฎของการทวีคูณคือหน้าตาแบบนี้ครับนะฮะจากคนนึงเนี่ยนะครับ เป็น2คนคูณ2อมาเรื่อยสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบหเป็นสามสิบสองสาสิบสองเป็น6กสบสี่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึง20ชั้นใน20ชั้นเนี่ยชั้นที่ยี่สสมมุติเดี๋ยวนะชั้นเนี้ยชั้นที่สมมุติเอาอย่างนี้ล้กันชั้นที่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะชั้นที่20สิบตรงเนี้ยจะมีคนอยู่ประมาณ1ล้านคนหนึ่งล้านกว่า ลองกดขึ้นเลขดูก็ได้นะครับสองคูณคูณคูณูณคูณไปยีสักยี่สบครั้งเงนี่ยตรงเนี้ยจะมีคนอยู่ประมาณล้านคนแล้วทั้งหมดเนี่ยี่สิบตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณสองล้านคนสองล้านคนนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับไอ้ยี่สิบชั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันมีการเกิดคิวขึ้นมาคิวนะครับหนึ่งเอร์ซของคิวเนี่ยในยี่สิบชั้นเนี่ย คุณจะมีคิวรวมอยู่ที่สี่แสนกว่าคิวสี่แสนคิวอยากรู้รายละเอียดไปดูในคลิปยี่ิบเก้านาทีนะครับสี่แสนคิวนะครับหนึ่งคิวนะครับเท่ากับห้าสิบบาทคูณกับสี่แสนออกมาเป็นยี่สิบล้านยี่สิบล้านมาจากไหนมาจากไอ้ยี่สเปอร์นจากค่าสมัครหนึ่งพันของคุณนั่นแหละครับยี่สิเปอร์ซะมันเข้ามาที่นี่ เพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยบางคนถามว่าจะจ่ายได้จริงเหรอจ่ายได้ครับตามโลจิคตัวเลขไม่เคยโกหกครับตัวเลขคือความจริงจากพระเจ้าที่มันไม่เคยโกหกครับคุณกด2อคูณสอคุณก็ได้4คุณกดเอา40่0 0 0เนี่ยสี่แสนคิวเนี่ยมาคูณกับ50บาทเนี่ยคุณก็ได้20ล้านจริงจริงแต่ดูนะครับว่าอันเนี้ยยีล้านเนี้ยมันได้ก้อนเดียวจากค่าสมัครใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยคุณจะคุณจะทําให้มันยั่งยืนนี่ยังไงนะครับ ในธุรกิจขายตรงเนาะถ้าในธุรกิจขายตรงเขาจะมีสินค้าแล้วเขาก็จะมีคำว่ารักษายอดมีออโต้ชิ p อะไรต่างๆของเราเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีสินค้านะครับแต่ช่องทางการเงินมันเป็นช่องทางบนซอฟต์แวร์บนซิสเต็มใชม่เราจะมีเซอร์วิสซิสเต็มครับผมใช้ตัวย่อว่า SS แล้วกันนะเซอร์วิสซิสเต็มนะครับเดือนละเท่าไหร่ฮะหกคิวโอเคหกคิวเนี้ยไม่ต้องจ่ายเงินสดเข้าไปนะครับหกคิวมันเท่าไหร่ฮะประมาณส0บาทใช่ ให้คุณน่ยบริหาร6คิเนี้ ย, นนยในระบบนั่นหมายความว่าถ้าเดือนเดือนเนี้ยคุณมีรายได้สักประมาณ100คิวแล้วกันนะเวลาคุณถอน Q ิอะ่ะคุณถอน94ได้ไหมฮะถอนออกมาคาไว้ในระบบสัก6คิได้ไหมนะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยมันลานต่อไปนะครับเพื่อให้คุณได้ 1% 20ชั้นลึกด้วยคุณดูนะครับ6คิเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่6คิเท่ากับ300บาท แสดงว่าใน300บาทนี้เราจะได้หนึชั้นด้วยคูณ20ชั้นด้วยนะฮะใน20ชั้นของคุณเนี่ยในรายด้ข้อ2เนี่ยมันจะมีคนอยู่ประมาณ2ล้านคนโดยประมาณนะครัล้านคน2อล้านเศษเศษด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบต่ำกว่าสองน2ล้านเศษเศษนะครับคุณได้ 1% ของ300บาทก็คือชั้นละคนละ3บาท3บาทคูณ2ล้านคนเท่ากับพาสซีฟเดือนละ6ล้านบาท 6ล้านบาทต่อเดือนตลอดไปนั่นหมายคพาะว่าวันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าอันนี้ไม่ได้เวอร์นะฮะพูดจริงๆนะฮะ6ล้านบาทจริงๆนะครับในธุรกิจขายตรงเนี่ยผมต้องบอกอย่างนว่าไอ้โลจิกแตกสองชั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ในเมื่อมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คุณลองนึกภาพนะโซเชียลเน็ตเวิร์กับธุรกิจขายตรงไม่เหมือนกันนะโซเชียลเน็ตเวิร์ Network, เร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งหา้แห้อีก สมัยก่อนคุณแม็กซ์เซอร์เบิร์กตอนทำเฟซบุ๊กเสร็จส่งอีเมลให้เพื่อนกี่คนครับประมาณ4ี่ห้าคนถ้าใครดูหนังเรื่องโซเชียลมีเดียจะรู้ข้อนี้นะคุณแม็กซ์เซอร์เบิร์กส่งอีเมลให้เพื่อนสองสามคนแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งคำถามด้วยว่าวันนี้จะมีคนใช้เฟซบุ๊กกี่คนคำถามที่เขาตั้งคือวันนี้จะมีคนส่งต่ออีเมลที่เขาส่งกี่คนนะฉะนั้นนะครับวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กใช้กันทั่วโลกมันจะเร็วมาก อีกหน่อยครับเพจคิ pay q q ก็จะเร็วเช่นกันเพราะว่าอะไรดูน้นอกจากทุกคนเนี่ยจะได้เขียนคอนเทนต์แล้วนะครับเชื่อมต่อกันบนโลกออนไลน์แล้วนะครับทุกคนยังมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนด้วยนะครับกับเวอร์เว็บเพจคิวคิวคอมนะครับทุกท่าน ล, ลองมองภาพครับวันเนี้ทั่วโลกมันมีกี่คนมีเป็นพันล้านคนสองพันล้านคนใช่ไหมนั่นหมายความว่าวันนี้เราไม่ต้องการนะครับว่าคุณจะต้องทําได้แบบหล้านต่อเดือน20ชั้นเป๊ะๆอะไรเงี้ยผมบอกเลยครับว่าถ้าวันนี้ ต่อให้มันเป็นหของ20ล้านหอร์ของ6ล้านต่อเดือนพวกคุณก็โอเคปะ่ะนั่นหมายความว่าวันนี้ครับเพจ ค, คิวครับการจ่ายสูงสุดของเขาก็ตามที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําเป็นแบบจริงจังแต่ถ้าคุณมองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นช่องทางการทําเงินของคุณได้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วคุณทํามันเดืจริงจังเนี่ยผลลัพธ์ของคุณก็จะเป็นเหมือนที่ผมพูดมาตัวเลขเนี้ยแน่นอนนะ20ล้านกับ6ล้านต่อเดือนแน่ๆ เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะสามเหลี่ยมมันต้องเต็มมันจะถูกเพรสอัดเตอรลงมาครับเนี่ยครับคือ 1% 20ล้านนี่คือการงอกเงินล้านจากเงิน 1,000 งพัของคุณนะครับโอเคไหมฮะในเรื่องของข้อที่รายได้ 1% 20ยี่สิชั้นนะครับทีนี้อีกอันนึงนะฮะที่คนถาม ก, ก็คือในเรื่องของ View Content นะครับว่าคิดยังไงนะครับ View c o n t น n t ครับรายได้ข้อที่4ี่คือ View Content ออนี้ยผมเขียนดกว่า View Content โอเค มันคิดยังไงนะครับแสดงว่าไอวิวคอนเทนต์เนียชื่อมันก็บอกเนี้ยว่าวิวคอนเทนต์ไม่เกี่ยวกับไลค์ไม่เกี่ยวกับแชร์ไม่เกี่ยวกับโวแสดงว่ามันนับเฉพาะการที่คนกดเข้ามาวิวนะครับคือกดเข้ามาดูอ่ะนะครับไม่ว่าคุณจะแชร์ไปตาม Facebook คุณจะแชร์ไปที่ l ล n e ขอให้มีคนกดเข้ามาดูของคุณนั่นคือวิวหนวิวนะครับอ่ะแสดงว่าถ้าคุณจะได้ไรายได้จากข้อนี้คุณต้องรู้ก่อนว่า1 v i วิวราคาเท่าไหร่จริงหฮะ เราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเลดวิวในแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้มันมีการคิดเลดวิวยังไงนะครับการคิดเลดวิวเนี่ยสำหรับตัวเพจ q ิเนี่ยจะคิดเดือนละหนครั้งทุกสิ้นเดือนนะครับแล้วจะจ่ายในเรื่องของยอดวิวตรงเนี้ยเลดวิวตรงเนี้ยให้กับสมาชิกเนี่ยไม่เกินวันที่5ของต้นเดือนเดือนถัดไปนะครับคือวันที่1นึงที่5้านะครับหนนะครับไม่เกินนะครับอ่ะทีนี้หน้าตาการคิดวิวคอนเทนต์เป็นแบบนี้นะครับคิดจากอะไรฮะคิดจาก หเลยครับก็ต้องคิดร a t e view ออมาก่อนเดี๋ยวผมเขียนใหม่ดีวกว่าต้องคิดร a t e view ออมาก่อน rate ของ view นะครับ rate ของ view ว่า1นึ่ v i เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง r a t ของ v i วคิดแบบนี้ครับกำไรนะครับกำไรของแต่ละเดือนนะครับกไรของแต่ละเดือนด้วยนะครับไม่ใช่กำไรรวมนะกำไรของสัดส่วน view แต่ละเดือนนะครับคิดเขาเรียกว่าอัตราส่วนกับยอด view นะครับยอด view ทั้งระบบของทุกคนนะครับทุกคนยอดวิวทุกคนนะครับในเดือนเดือนนั้นรวมกันเลยไหมครัเช่นวันนี้กําไรเนี่ยเท่ากับ10ล้าน10ล้านนะครับแล้วยอดวิวทั้งระบบเนี่ยก็เท่ากับ10ล้านวิวเหมือนกัน10ล้านวิวเหมือนกันนะครับแสดงว่า10ล้านกับ10ล้านเนี่ยอัตรามันก็คือ1นต่อ1แสดงว่าตกเหรีวิวเท่าไหร่ครับหบาทใช่หมถ้า10ล้านกับ10ล้านก็ต้องตก1บาท คุณมีวิวอยู่แสนวิวจากทุกคอนเทนต์ที่คุณโพสในเดือนนั้นคุณก็ได้ไปแสนบาทคุณมีหมื่นวิวคุณก็ได้ไปหมื่นบาทคุณมี5วิวคุณก็ได้ไป5บาททุกเงินที่เกิดขึ้นจากวิวคอนเทนต์ก็จะถูกแปลงเป็นคิวในระบบด้วยนะครับตอนต้นเดือนของคุณนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ดูนะฮะถ้าวันนี้นะครับเวลามันจ่ายมันจะจ่ายเกินไม่ได้เพราะว่าอัตราส่วนมันเท่ากันใช่ไหมถ้ากําไรมี10ล้าน เปลี่ยนใหม่นะฮะถ้ากำไรมี10ล้านแต่ยอดวิวทั้งระบบมี20ล้านสแสดงว่า1ต่อ2เท่าไหร่ฮะ50ะตังค์คุณมีแสนวิวคุณก็ได้ไป 5,000 50, 0คุณมีมื่นวิวคุณก็ได้ไป 5,000 นะครับเรทวิวจะพอดีกันจัดสรรปันส่วนหารกันพอดีนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทจะไม่โอเวอร์เพย์นะครับเมื่อบริษัทไม่โอเวอร์เพย์ซิสเนี้ยังคงอยู่คุณนะครับก็สามารถทําตรงนี้ได้ตลอดนะครับสแสดงว่า เหรีวิวนะครับมาจากกำไรนะครับของของตัวของตัวเพจในเดือนนั้นนะครับกำไรนะฮะกไรมาจากไหนบ้างนะครับมาจากเมื่อกี้ท0มยนะครับจากค่าสมัครใช่ฮะจากตัวโฆษณานะครับโฆษณาโฆษณาแล้วก็มาจาก 6Q ต่อเดือนนะครับในอนาคตนะครับตัวนี้ผมบอกลยฮะมหาศาลตอนนี้ผมต้องเรียนตามตรงว่าเราได้ยอดวิวจากตรงนี้ก่อน นะครับในยอดวิวจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีโฆษณาแล้วก็ Service System นะครับตรงนี้จะเอามารวมเป็น рейт วิวนะครับด้วยแสดงว่าเมื่อกําไรเยอะขึ้นเมื่อกําไรเยอะขึ้น рейт วิวก็สูงขึ้นตามด้วยนะครับเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นทุกเดือน рейт วิวมันก็สูงขึ้นตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวฮะ рейт วิวตอนนี้มันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเรามีทัฟฟิกมากขึ้นเรื่อยๆโฆษณาก็จะยิ่งวิ่งเข้ามาหาเรื่อยๆ <ME AN> เมื่อเรามีเซอร์วิสซิสเต็มคุณก็จะมีเลดบิลที่มากขึ้นกว่าคนอื่นด้วยนะครับ <S <S ส่วนใครที่ไม่ได้เซอร์วิสซิสเต็มคุณก็จะมีค่าเลดบิลที่ต่ากว่าคนอื่นนะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้ 1% 20ชั้นด้วยนะครับให้ดูแลเรื่องของคิวของคุณดีๆนะครับโอเคนะครับในเรื่องของวิวคอนเทนต์น่าจะจบเนาะนะครับอ่ะทีนี้มาในเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานนะรรบาา้เมีอไ ง่ายเลยก็คือสมัครใช่ไหมฮะสมัครยังไงนะครับอันนี้ผมฝากถึงผู้นําทุกคนด้วยที่มีสมาชิกแล้วคุณต้องสอนให้เขานะครับสมัครทีมงานให้ได้ด้วยนะครับการแนบสลิปแนบสลิปเวลาแนบสลิปควรใช้เบราว์เซอร์ไหนฮนะการแนบสลิปควรใช้เบราว์เซอร์ที่มีความเร็วสูงด้วยนะครับเช่น Chrome หรือ Firefox นะครับการแนบสลิปแนบยังไงนะครับให้ดูในคลิปนะครับผมมีคลิปทั้งหมดเลยนะครับการถอน ถอนคิวออกจากวอลเล็ตถอนยังไงนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ทุกคนเรียนรู้ได้เร็วมากเลยเพราะว่าทุกคนก็อยากได้ตังค์จริงไหมนะครับทุกอย่างเนี้ยตรงนี้มันมีคลิปให้หมดแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับไปดูได้นะครับแล้วก็ฝากสําหรับทีมงานผู้นํานะครับว่าต้องต้องช่วยกันดูแลสําหรับในเรื่องของการทํางานต่างๆนะครับเช่นคอนเทนต์นะครับเวลาสร้างสร้างยังไงนะครับการสื่อสารนะครับการเช็ควิวนะครับ เช็ควิวนะครับเช็คแบบไหนนะครับต้องสื่อสารด้วยนะครับคอนเทนต์สร้างไงฮะไปที่เพจใช่ไหมเพจแล้วก็กดสร้างแล้วก็ทําตามโปรเซสจบนะครับเช็ค View นะครับมีไอคอนให้อยู่แล้วนะครับไอคอนอยู่ตรงข้างๆเพจนะฮะเช็คตอนนี้ได้วันละครั้งนะครับ View จะอัปเดตวันละหนึ่งครั้งนะครับเวลาเราอัปเดตคือตาม GMT คือ7จ็ดโมงเช้านะฮะเวลาตาม GMT นะ7จ็ดโมงนะฮะเจ็นนอะครับอัปเดตทีหนึงนะครับแล้วก็ตอนเนี้นะครับ รู้สึกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับหลังจากไลฟ์ที่ผมมันไลฟ์สดเ น, นี่ยนะพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่คุณสามารถเช็คยอดวิวได้แล้วนะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าวิวนะครับจะพัฒนาเป็นในระดับของเรียลไทม์นะครับคนทุกคนสามารถดูตรงนี้ได้นะครับทุกๆทุกๆวินาทีเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับในเมื่อมันเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือวันละครั้งนะครับวันละครั้งหนึ่งวันอัปเดต ท, ทีนะฮะหนึ่งวันอัปเดตทีหนึ่งนะครับผมต้องบอกอย่างเงี้ยครับ ปือบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นแค่ปัญหาเทียมนะครับของจุดเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อใจกันนิดนึงนะฮะช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้โปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ผมนะฮะขุดโอมนะฮะส่วนผมก็คือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกำลังใจเรื่องการทำตลาดอยู่แล้วนะฮะเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับโอเคถ้างั้นก่อนที่จะจบตรงนี้นะครับมีใครอยากถามอะไรไฮะเ อ, อ่เ อ, อตอนนี้ก็มีมีมีคถามอะไรอยู่ในแชทบ็อกม ช่วดูให้หนอ่ะไม่มีค่ะโอเคถ้างั้นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะฝากไว้นะครับฝากเลยนะฝากฝากฝากฝากฝากนะครับฝากบอกคนของเธอให้เธอเข้าใจนะฮะไม่เครียดไงไม่เครียดนะฮะสบายสบายฮะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากฝากก็คือว่ารหัสนะฮะของสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ใหม่เลยนะฮะให้พวกเราช่วยดูด้วยว่าเวลาเขาแนบสลิปเนี่ยรหัสเขาสี่บแปดชั่วโมงเนี่ยมัน มันมันมันอพูฟหรือยังนะครับถ้ามันยังไม่แอ r พูฟแสดงว่าแนบสลิปไม่ติดนะครับการแนบสลิปนะครับสำคัญมากนะฮะเพราะว่า1เงินเข้าในวอลเล็ตไอตัวการนับวิวคอนเทนต์นะฮะถ้าถ้าคุณยังไม่ได้แนบมันจะไม่นับยอดวิวให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามแนบนะครับให้มันเรียบร้อยให้มันเสร็จนะฮะชั่วโมงนะครับถ้าไม่อปพูฟให้ติดต่อที่แอดมินทันทีนะฮะอาจจะติดต่อมาที่ผมก็ได้ติดต่อไปที่พี่มาราเลยโดยตรงก็ได้นะครับอ่อันที่2 นะครับในเรื่องของการการการสร้างงานนะครการสร้างนะครับสร้างคนแล้วกันผมใช้คำว่าสร้างคนแล้วกันนะครับคือเราเนี่ยตอนนี้ยังเป็นในลักษณะของของของการรีบทําจนมากเกินไปนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยผมอยากให้ทุกคนน่ยสื่อสารให้มันเข้าใจจริงๆนะครับคลิปผมทำไว้ให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าผมจะไปบรรยายที่ไหนผมก็จะอ่านคลิปมาไว้ให้ตลอดนะครับ <Wayne> อยากให้ทุกคนเน่ยเข้าไปดูตรงนั้นนะครับเวลาประมาณชั่วโมงกว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเข้าใจนะครับในเรื่องของ IOT นะครับ IOT Internet of Thing เนี่ยนะครับ IOE เนี่ย e, นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจทุกคนจะเห็นเลยว่าวันนี้เพจค q วควอ่ะมันง่ายที่สุดแล้วเป็นช่องทางการทําเงินบนอินเทอร์เน็ตที่โคตรง่ายเลยนะครับแล้วถ้าคนไหนเนี่ยยิ่งทําน e ต work ์ a แ k งก์กิมาแล้วไม่เคยสําเร็จนะหรือว่าทําการลงทุนมาแล้วแบบช้ำช้ำมาอะไรเงี้ยผมจะบอกเลยนะว่าอันนี้เป็นคําตอบของคุณเลยเพราะว่า1ลงทุนต่ําผลตอบแทนสูง แล้วมันง่ายตลาดมันแมสทุกคนควักง่ายครับหนึ่ขอแค่คุณสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าอ๋อต้นตอมันมายัางไงคุณจะได้รายได้อย่างไงมันถูกกฎหมายไหมทุกอย่างคือเคลียร์จบนะครับส่วนไม่ใช่สไตล์หรือว่าคนคนที่แบบว่าไม่เอาจริงๆอะ่ะ ก, ก, ก็ก็คือมันก็ไม่เอาจริงๆอ่ะนะก็ต้องปล่อยไปบอกให้มันไปทําบุญด้วยแล้วกันนะโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราเริ่มจากการการผมใช้เคล็ดลับอย่างนี้เนาะก็คือเข้าใจเข้าใจว่าเพจ q ิคืออะไร ค, คุณต้องเข้าใจมันจริงๆว่ามันคืออะไรบางคนถามเออมันเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไหมผิดกฎหมายไหมตอบไม่ได้เออไปเลยนะครับก็มีนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนเข้าใจข้อมูลนะคุณต้องไปดูข้อมูลนะข้อมูลอยู่ไหนฮะอยู่ในบันทึกครับบันทึกอยู่ตรงไหนถ้าใครไม่รู้บันทึกอยู่ตรงไหนผมจะตีเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปบอกทีมงานของคุณด้วยว่าบันทึกอยู่ตรงไหนโอเคไหมฮะ ข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงด้วยนะอย่าไปเอาข้อคิดเห็นมาเอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วคุณก็ต้องทําเป็นด้วยฮะคุณต้องทําเป็นด้วยสมัครยังไงแนวสลิปยังไงถอนคิวยังไงสร้างคอนเทนต์ยังไงถ้ามีปัญหาตรงนี้แก้ยังไงลืมพัสดุ์ทํำยังไงแคปหน้าจอยังไงอย่างเงี้ยคุณคุณคือคุณต้องทําเป็นเนี่ยพอคุณทําเป็นคุณก็จะสามารถไปสอนได้ ไปบอกของไปบอกเพื่อนของคุณได้ว่าควรทำยังไงใช่ไหมฮะที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะเนื่องจากมันเป็นธุรกิจใหม่ไม่ใช่ธุรกิจใหม่เนื่องจากมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็น IT อะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบใหม่อะ่ะบางครั้งเนี่ยเวลาเรามันมีคนเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคนที่หัวไม่ไอทมันก็จะมีคนที่หัวไม่ไอทอ่ะคนที่แบบน่ารําคาญหน่อยซึ่งโอเคเราเข้าใจเพราะฉะนั้นนะนอกจากที่คุณจะเข้าใจคุณจะทําไปแล้วคุณต้องใจเย็นด้วยนะ คุณต้องใจเย็นเย็นเย็นจริงๆคุณเห็นไหมเวลาผมตอบคาถามอ่ะคำถามถามันก็บางทีมันก็มีบางหน้าที่เราหงุดหงิดผมเข้าใจนะครับคือบางคนก็ไม่เป็นจริงๆเราเข้าใจแต่เราก็จัดใจเย็นนะครับแล้วก็ค่อยๆสอนงานเขานะ ค, ค่อยๆบอกเขาซึ่งจริงๆถามว่ามันยากไหมไม่ยากเลยนะครับขอแค่ว่าวันนี้คุณเข้าใจมันแล้วคุณทําเป็นคุณจะสามารถบอกต่อเขาได้อย่างใจเย็นนะครับเพราะฉะนั้นอันที่4เลยฮนะเมื่อคุณเข้าใจคุณทําเป็นคุณใจเย็นแล้วคุณต้องบอกต่อให้ได้ วันนี้หลายคนนะฮะม า, มามามาบอกผมว่าชวนคนไม่ได้เลยนะครับหาคนต่อไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> คําถามก็คือว่าวันนี้เวลาคุณชวนเพื่อนๆคุณชวนเพื่อนๆใช้งานหรือคุณคุณคุณชวนเพื่อ น, อนทําธุรกิจสําหรับผมอ่ะผมชว น, เ พ, นเพื่อนเปลี่ยนที่ใช้งานมันจะง่ายนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเขาเปลี่ยนที่ใช้งานแล้วเนี่ยเขามีไรายได้ด้วยก็เป็นกําไรกับเขาใช่ไมฮะหนึ่งบาทคนควักง่ายอยู่แล้วคุณต้องมี mindset ในเรื่องของการลงทุนด้วย ถ้าวันนี้หน0 0งบาทคุณต้องชี้ทางให้เขาเห็นด้วยว่ากี่คนคืนทุน2อคนคืนองคนคืนทุนจริงไหมที่เหลือคือกําไรหมดเลยถูกต้องไหมครับคุณต้องชี้ทางให้เขาเห็นนะครับว่าวันนี้ตัวเพจ QQ ว่ิทําอะไรให้เขาได้บ้างนะครับแล้วคุณก็ต้องตอบโต้ข้อโต้แย้งให้ได้ทั้งหมดนะฮะถ้าวันนี้คุณเข้าใจมันทั้งหมดแล้วนะครับเหมือนที่ผมเข้าใจเหมือนที่ผมกําลังสื่อสารกับทุกท่านนะยังไงยังไงคุณทําได้แน่นอน 100% นะครับนะครับบอกต่อ บอกต่อเพื่อนเรานะครับบอกต่อคนที่บอกต่อคนที่เราอยากจะให้เขาได้นะครับบอกด้วยความเข้าใจสื่อสารด้วยความสื่อสารด้วยความเข้าใจนะครับแล้วทุกท่านนะครับจะมีเพื่อนๆเข้ามาทําตรงนี้กับเราเยอะแยะเลยนะครับที่เหลือก็คือว่าวันนี้ถ้าถ้าใครอยากที่จะได้เทคนิคนะครับผมก็จะให้เทคนิคแล้วกันนะครับในการที่ในการที่จะมีคนเข้ามานะครับคือทุกวันนี้เนี่ยมีคนเข้ามาขอสมัครกับผมเยอะมากผมบอกก่อนมีคนมาขอสมัครกับผมเยอะมาก ซึ่งผมก็จะโยนให้สมาชิกกันแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันโยนไปตรงไหนบ้างะนะผมก็โยนลงไปเรื่อยๆนะครับผมต้องบอกอย่างเงี้ว่าคุณต้องสร้างแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ซุกไก่สกัดนะฮะคุณต้องสร้างแบรนด์ผมใช้เขียนภาษาไทยดีวยกว่าเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวนี้แบรนด์แบรนด์นะครับคือถ้าวันนี้อีกหน่อยเนี่ยเพจคิวคคนมันจะทําเยอะมากใช่ไหมเพอะคนจะทําเยอะมากๆเข้าเนี่ยเขาก็จะเลือกว่าเขาอยากจะทํางานกับใคร เวลามีการทำงานเนี่ยแน่นอนทุกคนก็อยากจะทำทำทำให้มันสำเร็จทำให้มันได้เงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกครับว่าเขาจะทำงานกับใครเวลาที่คุณมีความมั่นใจเนี่ยคุณมีการโชว์อัพขึ้นมาคุณมีการเปิดหน้าออกมาเหมือนผมเนี่ยผมเปิดหน้าออกมาผมมั่นใจว่าเพจคิวคเนี่ยมันคือช่องทางการทำเงินพอเวลาคุณโชว์อัพออกมาตรงเนี้ยมันมันเกิดสิ่งหนึ่งนะที่เรียกว่าที่เรียกว่าความความผมใช้คำว่าอะไร powerful เขาก็อยากทำเขาก็อยากทำกับคุณเนะ่ยเขาก็อยากเข า, เ, ขาเห็นคุณว่าคุณต้องพาเขาไปสำเร็จแน่นอนเพราะว่าคุณมั่นใจคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่เป็นผู้นําได้คนที่คนที่กําลังมองหาช่องทางการทําเงินเนี่ยคนที่กําลังมองหาที่พึ่งทางใจเนี่ยมันมีเยอะนะครับคนที่มองหาความไว้ใจคนที่สามารถไว้ใจได้มันมีเยอะมากนะครับ <úsica S 1> เพราะฉะนั้ น, นครับ<ๆ>เราจะเป็นอีกหนึ่งคนพวกเราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะลุกขึ้นมาโชว์อัพตัวเองฮะว่าให้เขาเนี่ยมาใช้งานผิดคิวอ่ะกับใครกับเรานี่แหละ แต่ขอล้อฮะอย่าแย่งกันนะฮะแต่ละคนก็จะมีคอนเนคชั่นของตัวเองคุณทําให้เขาเกิดความมั่นใจนะครับคุณสร้างเขาให้เขามีรายได้เขาก็จะรักคุณนะครับเหมือนวันนี้หลายๆท่านนะครับที่มีรายได้จากการที่เข้ามาใช้งานเพจคิวคจากการที่จากการที่ไว้ใจให้ผมเป็นโค้ชจากการที่ไว้ใจให้ผมเป็นผู้นํานะครับหลายๆท่านนะครับที่ที่เดินตามกันมาก็ได้รายได้ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยบางคนได้เป็นหมื่นแล้วนะครับบางคนได้หลายหลายๆหมื่นแล้วบางคนก็มีแคสต์โฟวันละพันสองพัแล้วนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยตอนก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าก็จะเป็นอีกเสาหลักอีกคนหนึ่งนะครับที่ที่จะเดินทางไปพร้อมกับพวกพวกท่านทุกคนนะครับที่จะสร้าง1000เนี้ยนะครับให้กลายเป็นหลักร้านให้ได้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ครับถ้าเราร่วมใจกันนะครับแล้วก็สร้างไปพร้อมกันทุกคนจะมี20ล้านก้อนแรกจากจากจากไอ้รายได้ 1% 20่งนชั้นแน่นอนนะครับแล้วก็พสซีฟเดือนละ6ล้านต่อเดือนแน่นอนครับผมการันตีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเกิดการการันตี มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีเกมที่เล่นกันเมื่อพวกคุณอยากจะได้ใช่ไหม20ล้านกับ6ล้านต่อเดือนมันก็ต้องมีเกมเล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะใช้เกมที่ชื่อว่า2 2 2ท่องให้ขึ้นใจจําให้เข้ากระดูกอยู่ให้มันเป็นอยู่ในเนื้อของเราเลยสองสองนะครับ2องสองสองโอเคสองสองคืออะไรม า, มาเรามาเล่นเกมนี้กันนะสองสอง สองคือวันนี้ตัวเรานะครับแนะนาเพื่อนสองคนนะครับในสองวันเราแนะนาเพื่อนสองคนในสองวันแล้วไปช่วยให้ไอ้เพื่อนสองคนของเราเนี่ยมันมีสองคนในสองวันเช่นกันเห็นฮะสองวันสองวันทุกท่านครับวันนี้เนี่ยเกมสองสองสองถ้าพร้อมใจกันเล่นคุณไปขายไอเดียนี้ให้กับเพื่อนของคุณสองคนให้เขามีสองคน แล้วทุกๆคนนะครับทุกๆคนเนี่ยใบไอเดียคนละสองคนละสองนะครับในสองวันเนี่ยตัวคุณจะมียี่สิบชั้นอหนึ่งเปอร์เนยี่สิบชั้นของคุณเนี่ยยี่ิบชั้นเนี่ยในสี่สิบวันสี่สิบวันจากเงินหนึ่งพันบาทของคุณแปลงเป็นเงินยี่สิบล้านคุณเอาไหมถ้าวันนี้คุณเอาเรามาเล่นเกมสองสองสองกัน เมื่อมีคนได้ยี่สิบล้านคนแรกมันจะมีคนได้สิบล้านอีกสองคนมันจะมีคนได้คนละห้าล้านอีกสี่คนมันจะมีคนได้สองล้านห้าอีกแปดคนมันจะมีคนได้หนึ่งจุดเจ็ดห้าล้านอีกสิบหกคนไล่ลงมาเรื่อยครับรายได้มันทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้นะสี่สิบวันเล่นเกมสองสองสองไปพร้อมกันแล้วคุณจะรู้เลยว่าสี่สิบวันนี้แม่งโคตรพลิกชีวิตคุณเลยหนึ่งพันบาทของคุณอ่ะเสกเป็นเงินล้านได้เล ย, ย, ยนั่นหมายความว่าวันนี้ 222ท่องให้ขึ้นใจหนึ่งพันะร 1, แรกเงินล้านผมบอกแท้เกิดขึ้นจริงจงนะต่อให้วันนี้นะครับ40บวันของคุณที่คุณออนโปรเซตเพจคิวคิวเนี่ยที่คุณทำเนี่ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยสีบวันนี้คุณไม่ได้20ล้านคุณได้สักแสนหนึ่งก็ไม่น่าเกียจคุณเอาไหมคุณโอเคไหมสี่สิบวันจากเงิน1นึ่งพันแปลงเป็นเงินแสนหนึ่งน่าเกียดไหมก็ไม่น่าเกียดนะนดนะแต่ถ้าวันนี้มันมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้20ล้านจากเงิน1นึ่งพันบาทของคุณเนะี่ยจากการร่วมแรงร ทุกๆวันทุกๆคนผมบอกเลยครับไม่เกินสิ้นปีนี้ไม่เกินสิ้นปีนี้ถ้าคุณออนโปรเซสนี้เหมือนกันกับผมนะคุณจะมี40วันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเลยคุณจะมีเงินมหาศาลจากเงิน100่เพราะฉะนั้นนะครับขอฝากไว้นะครับสําหรับผู้นําทุกคนนะฮะวันนี้เราต้องสร้างคนของเราให้มีรายได้เราต้องสร้างเกมนี้ให้เกิดขึ้นเราต้องสร้างให้คนมาใช้เพจคิวคให้มากขึ้นนะครับ หนึ่พบาทนะครออกไปกินข้าววันเดียวก็หมดแล้วนะครับออกไปกินบุฟเฟ่ก็หมดแล้วนะครับแต่วันนี้หน0 0งบาทของคุณนะ่ยคือช่องทางการทําเงินเนะี่ยที่มันจะทําให้คุณมีแคสโคว์อะถ้ามองแบบน่าเกียรติน่าเกียดเลยวันละพันหนึงนะ่งคุณได้รายได้วันละหนึ่ันคุณก็มีเงิน3 0,000 ต่อเดือนคุณได้วันละสองพันคุณก็มี6 0,000 ต่อเดือนน่าเกียดไหมครับไม่น่าเกียดนะครับนี่คือรายได้อีกหนึ่งกระเป๋านี่คือวิชาเสกเงินจากอินเทอร์เน็ต เพดค q ผมบอกเลยวันนี้เดเฮียเลยเพราะฉะนั้นนะครับมาสร้างเงินล้านจาก1นันของคุณกันเปลี่ยนใหม่ดีกว่ามาเปลี่ยนเงิน1พันเป็นเงินหนึ่งล้านกันดีกว่าเปลี่ย น, 1, น, น, 1, ยนใหม่ดีกว่ามาเปลี่ยนหลักพันเป็นหลักล้านกันดีกว่าโอ้อะไรก็เอาเถอะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เอาเป็นว่าผมก็ขอจบเท่านี้แหละ เอาเป็นว <adas avez S 2> ่าในเรื to to to ่องของข้อกฎหมายนะครับทุกท่านก็คงได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็การตอบคําถามเพื่อนๆความมั่นใจของเรานะครับคุณสร้างความมั่นใจให้ตัวคุณเองก่อนนะครับคุณต้องตอบตัวคุณเองให้ได้ก่อนนะครับคุณต้องบอกว่าคุณทําได้คุณต้องบอกว่าตัวคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณมาแบบไม่มั่นใจคุณก็จะพบกับความไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณมาความมั่นใจคุณจะมาพร้อมกับความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณลงทุนต่ํามากแต่ถ้าคคุุณณทําเป็นรวย สวัสดีครับ